o h a u n d k y o u k l a m ā วันธรรมะธรรมรุนเทรา c าติเนธธรรมโอตัวโยธาปัปปานิธรรมการธรรมเทมบุตธรรมวันธรรมโนติธรรมวันธรรมตธรเทเร ภูร a พั a ฐาอัฏฐามิ m ฉาโสภุตโญมิจามิจฉาโส ยังไม่ยัง n ู้ที่ประดิษฐานสุ h สิริธรรมการเรียสังวรีทุะที่ท่านมยังมนุเนยังรเสวะวาธมันติิโอัิโเิปริต โอ้ปัญดาที่โกหกธรรมธรรมเวทีธรรมโอเดียนโยอิเดียกนั้นเป็นอย่างสมณะที่จริงสารมัสยมวาสากาติโันโยมาวะเตนะไทรโยโยมาพะปะปะปาริอันเวโมภเตโย อัมโมกขุโรตัปตะนะตัปตะโรวิทาลีอัมภะมะอัมตะมะระมะมะระตะมะเมตะมอัมโมยโยตัมตัปมัิมตะระนะมิมังวะม ตัวที่อนุสติขานมวันธรรมิตาสิเวนังธรรมบารมีธรรมิตาตวธรรมโมเมฆาไม่เป็นรอธรมโมตัปัจจักาจาวตาตาใตางมเม ธรรมะธรรมมิจฉาเทมิจาเะเวะเทระเทระวันธรรมธรเทเธรรมจาวัติธรรมนัติเมาธรรมอนัญพันโมเมตตาว่า เอเวนัสัสเทวันเอโนอาัยยังสาธุตาคเนสัมมาเนวันตมามเนนยังบุญยังสาธุตาอิสานรัติสิรันตะยังเมวะสีตุมคสสะสันัยนวัจจายวัจัง ทั้งเมฆุกังมังกรตั้งเมญางนโมพุทธิยันตุอาศัยนังอาระนรตังวิริทุกขามีขัตมงสงานตเปนนัา โอรสพระพิพัฒน์โนอาภะเขาวัตรวะสาวกูาตะพิพันโภะเวะสมูรมีพิโอภะเขาวัวะสสมู เจ้าเจ้ามังกรตาเล็กเล็กตอยายอาเอัวังคอาหนยาหนยโตินัยโยัิกรโย อันโนะตัลังโมยังเอตังโะกัลสัพพิขัมภิรมย์สังขปิสิงการุณมิสุอะนะมันโธอิปปุระะะัะาัภะวต เทนะพิทามบ่าวราสยาตาญาณิโตวันตามามตมิญาณะพนามุตังัรวััภาิังสรังเมะมุะััเนวันตามิิเั Sampan sammi kato, sampo mi sami kato, sampo do pan sampan do, kavi do pan kavi do sami. Sampan sammi ya kemi sabi lam mi kavi sami lam. วันนั้นตัวอัมจัตเรตามีสามกัลปะโสภิพันตัมนัตถิเมตระนังอันยังสามโหเมตระนังวะรังเอเตนตัมเทวาเอเตวาเทวีอมตัตุตาจงมี ตั้งทางเอวันตั้งทเดินใยังุ่นยังธตุต่งอต่าังเรียบเรนอรายาเหนืหสุัจจ่อรนวาาะางเที่ยัมมัังม่อังัปิมาตุอยันตรือตังเ อันควรทุกคน่ฟัเตอนวสิานด b l a h Blood, Lord, in me. Oh, I'm on my own. Yeah. Uh -huh. เอวาทาสักษามามุนิราชาทสาสุนานตัสักษามุขาทสักเีกาเมจยรูปเกริสิขราทะเท่ ยานตฤกขิมาอาเนทิเประเทเจคาเมตรวันนาหาเนเทหวัตุมิเกตเต จาญาตุเทวราชราธรวิตเมยยคันพนาอาตาติสันตอาสันติเกยริมุนิวาวจนา โอเมตุนา สัมพุดทัดสัพพินะโสโลกามีอันท่าูตัดสมิงทุลภุปปาทัดสัตตุนโนสักเกต ปิลาวัตถุสมิงวิหานต่างมห า, าวันเนตันทัศนียสัมพุทธงังเิกขุสังขันจะนิมมะลาง อสัทสังยสโลกธาตุสุทเอวอเนกาอปมียวามธมาส นานาปัญญาจิตตา Yeah. Man. ทั้งกา Make a war. กามพิโคนางสมิติวันนางอิเต กายตาสิโนะโมจามานาอภิคามองสมิติวนาภัตติมันจะทิศ กายทัศน์โนเอลาวันโนมหา โกะสวัสดิ์ธ a รมิเตงวานาเกนาเกนาธาลาลันติเตปปะติชาปะเกวิดาตจัโกเวยะตาเทวะรมะจัปปจาเจตุิติมเรสนมะยนะาคลาจานะิุัน มะมะกาเตปวะโตอาตาไวาจายอวายัญตานาาสุปันตะลมังัทูอัจจกลาวะิลอเทนมุ เจ้าลาสิตาภะตัลโลอาวาตวะเตเตียติมันตวยะติกาละกันจามหาปิตมะสุลาทานเวคาตเวปเชติตุเชติจา นามเชตาตจพลิปุตาณตาเปรื่องฉะนั้นมตวาลงเสนารามาตมุปาตมต่อโยธาในภาสันติโกนังสมิิวันนงอาปจะเทวปตะเวจะเตโยตมังวั นาวาลุนาเทวาโทมัจยัสสัสสหเมตตาตาโคเทวาญาติโนะสัตติเตตัสตากายาเตวนินนิิมันตวจติมันตนวันิโนมานาอภิ a p I want. Die. สวัดิขยังอิทดามังมานุปัตัวอิที่มนตาลน้มามีหงติดินหัวโยอาตุกขมหันินางลวกานนโมตโมติสัวผัวมีอติกันตัวตินางวกังน้มามีหังติโยเทวมนุษ์สานางโยะพระมา มวดตมวดปิยนนานานสุบานนานานปิอินตรีย์น้มัมีอังสวสวาวิรตาติตัวสวสวประมาสวยสเตรวะเกียสวปปัเตปปัมวเอ็นตัวสวประวันน้ำน้มามีอังปาจิตาเย็นสั์ธรรมมาคมาเตนาตาจินาเป สัต์เตปะหาเสียตัวพยาสันตันน้ำมามีหางค่าค่ิมตัวเหยนสัตว์ทำมัวขมาิีตัวเสถีมมาาสหัวตาขัดจำมันสีวางรับมังค์ยากตั้งมั น, น้ำมามีหางวาวานา ตมิโยตันหาวจพาสติอุนตะมัวานนิพพาปนานทายว ัตนมันมีอ่งอาณาักสัตสัตนานาอักษรสเทพิยชชิโนอันตคุณสัมปันนวอันตะพานิรมามีองรารตนิพานสัมปัแตรัตวโสสากมวดจะนรัมาเตเตทศเตยรณาจพังนมามี หางหางพันยเตปปะเบเกตัเมหังสาเปมีปรังยันหางสมานามหาวีระอัน ขาปน้มามีหางสังสังขตาสัมขเตสัมเมสัมมาเทเสสิปานินังสัมหลังสังวิกาเตติตะสัมพุทธังน้ำมามีหงมามาตาว่าปาสิโตสัตงมันนัดปัดเดบธมัตตโนวมาโตัวเตวาสังเตมาน้าน้มามีหางส สสันจะยังมาลิงสามมาสันเอตวาสุกมปตนโนจะลานังจหญัดตวาสันตกามินมมามีหามพุทธพุทธิตวาจะตุสันจายมิพุทธาเปติมหาชนะพุทธจเป็นตังสิวัฒม์มะตังพุทธเสดทังน้ามีหางตัวตัวติราเขตจะตัวเษ จะวดีโยเหจะบานนนันโวตาสว่มหาวิรัตโวจะเกล้สมนมามีหงวิวิวเทวาสัตธรรมวิจิตตวะธรรมวเทสนาวิเวเติติโตโยวิธิธรรมมามามีหางจาจาติธรรมมัวจราธรรมมวจาติอันตัวปัาศิ ชาติเสธเถนะปุณเถนะชาติโมกข์น้ำมามีหางจะ า, จายเยตะปุญยสัมปาเลจะเยทิสุขสัมนนปังยาฉันสังปาประตามานิจะชาเปตังนามามีหังราวตาเยนมิทานนงรักทตาหลวกสัมปัางราจัอโสถทีเ่เกะเสกได้ตัง นิมามิฮังนานิโตเยวะพรมเมหินรเทเวหิสัพนทันตัวสีห์นาทังโยวทานตัมตัมนิมามิฮังสัสัคาเรติวิเอโรเอสัญจาณที่อนิดแต่ตัวสัมมานิดปานสัมปัตัวปัมปัสันตินมามิฮังปัมปัคเตป วท no so oh no no no oh ี่สัมปันเลปัสสันหสวสเสวเกปัญญาญาัโมหะที่ปัสสันาตมตังนํำมามีหางโนนนนเตีระย่างทันตังโนจะปาปังอารยโนสมัอหะปัญญาญาน่นนตัมมังนมามีหังสุสุรรวะระรูเนสุดะรัวมาาสน สนตัวทัศน์สสาเปติสุขตันตน้มามีหางคาคัจันตัวโดดียัตมคัจันตัวอมตังบัตังคตัวสวสัตตมัวเจตังคตัยานังนมามีหางตโตเตนตัววรธรรมเมนตัวสัตทานเสิเววเรตัวสังหากสิจันตูนตัว จิดตัมน้มามีหางโลโลเพจะหาดิสัมปุตัวหลวเกษตรทุนาตัวหลวเทจสัตว์เพติดลวประสั้มน้มามีหงกากรตัวโยสัตประสัตานางตัดตะวัทุกขกับยังทิ่นถ้าเห็นตัวมตุรงทำบังจะทาสันหังน้มามีหางวิวินัย โยปกาเสถิวิธางเศรษฐวัตรโยเววิเศสสัญญาณสัมปันโนวิปัสสัญญนนำน้มามีห่างถูถูเสสะเตปาทาเสตัวถูรัตหานังปกาเสถิมปา น, น้ำมาขมานถูสหานังน้มามีหัาง อันตามาติจลาทีนำอาตาสีปุตสโมหินเนอาสาเสตัน้ำมารีหังนนเทติราคติตานินาเตติังจะนานูนาตัมมนุสานังน สาสันตัมนมามีอัตตาตโนติกุสลังตมมตตโนติธรรมมเทศนาตันหายวิลนันตานางตัญหาคาดตัมนมามีอัโรโรเซนเตเนวะปุตเตติโรเสเนวะนภูติจิตโรตานังตา นินางล้วนทัศน์ต่างนัมมามีหังปู่ปุ a ณ์ต่างอัตโนบะปังปุเอตต่างอัตสปารมีปุญญาวันต่างสาระชัดกระปุนกระปู่ต่างนัมมามีหังริริปุระทิปุตาวริทีอาปฏิหันญาติริปังตัมมังนักาเลขาเรียวังสังนัมมามีหังสาสะ ปัณโนวสีเลนะสมาธิปวโรจินหสยัมปูญาณะสัมปันโนสนาวาจักนามิหังมะปะมโนดสัพจิตตายนิตวิตตวปิสเทวปังปตธรรมะ ทั S <S นติตะวิานมามิหังมากเมาสายเอ็นสามบุตรมหันตทางนากามิไม่ตั้งนรเทเวมโนสุดทงนมามิหังสาสาลางาาังเตริตาสานางสารเติอมตังปทางสาราทธิยศเรติสารธราามมัณณามิหังราธรรม ตาเรียสัตธรรมมาเปตศาสาวกลงลเมธานว่าสาปติรณะอันตังนมามหาติดโยวารเนพเนติเรตาเมศะสาวกวดิร่งฐานน้ำ่าเสติ่างธรรมนำมาม่หมสัตว์าธรรมเทศยิตวานสันต่างนิพพาน ปป่กังสมตางศาสาป่าสรรจิตตงน้ามหางฐานางนิพพานสังผานางฐานเมนอาทตัวมูนิานสักสิเวรังเมธาเป็นตงนมามีหงเตเตนตัวโยสักศิวานเทวมนุษสปานีนางเนต่างธรรมาวรังานางเท เพื่อเศษัางน้ำามีหังวันตราพังวันตะพวสามวันตะมัวหังนาสว่คงวันที่ต่ำเทวปรเมหิวรังพุตตังน้ำามีหังอาภาตาวิระเยนาปิมหันตังบารมินตังามนุสเทวปรเมหิมัยตังตัง น้มามหงูทัมังปาเตุนานายปาปนูนทุกขาที่ปัานานูตาปตนมามหงสาว่านนูาเติสาระตัเมจะปานีนังสาราัมมนุสานสาสีตังนมามีหง นันทตัววรัสสัตตมินันทาเปติมหามุนินันทาหเตหิเตเวนันทายังนัมมามิหังบุติตาริยสัจจานิบุตาเบติสเถวังบุคตาญาณิสัมปันนังบุทตังสัมมานัมมาหิหังทัวทั่ววิตร์ทั่วมหาวิโรฒทัววันตัวมร I k n o h วิตาวาปินังบาปังตัวจเกลสังนมามีอังบาปยมาปนสัตตาณังพยยหาเป็นนายะพระเวสัตเิอติกันตัวปยัญนตังนมามีอังมาคดิตัวเยนสันต์มมัวคดัญญาเนนนิาปินังปันหาียังวรธรรมมันหาเป็นตังนมาม หวานวานมุไผยพิขุนทางวานสิตังเบวเรทัมเนวานอาหารน้ำมามีหางติสินโนยสัพปาปติติโนยสัพปาปติติตัวติเรนิพานสังปาเตติสายานังน้ำมัน จำโมห์มีพุทธเจ้ากาตันลัททานมานสีุมาเิาุ Om h e a n k y a u d t i p a m m a d i s a t e ทักที่ว่ักที่จะมาทักายาสินุมวยัีเนาัสนานนิีนิดี Saya saya takutkanmu, anak saya saya takutkanmu, anak saya saya takutkanmu, anak saya saya takutkanmu, anak saya saya takutkanmu, anak saya saya t a k u t k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 Ye la masha'Allah, ye ye ye ye, I love you. Ye la masha'Allah, ye ye ye, Allahumma ba'ideen, taqaddas wa. Ye ye ye, no ishoo, Allahumma bishawadeen, ye ye ye, ma'mma tulaa, ye ye ye, naqoolna, n a q o เดี๋ยวตอนนี้นะที่มาอยู่จะมาามวาัวทะมาามาัาัวทะ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 i n พระเจ้าชื่นชมก็แต่านัทรักทรักทรักั I'm here in my heart. I am my own special part. In my heart, I feel so good. I feel so good inside. I know I deserve it. I know I deserve it.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 พระพุทเจ้าที่เป็นพระผู้ทรงสรางสรรคสสตยา่เปนพทาสสารุทนรสสสสทุเปนารสวายานทาทาานารห s a t y e a h s a n g w i t h m o o k i อู้สูสกีตาอู้สูลาบลาลาาาาทานออานั้านอางนั้นที่เขานอานัานอานัานอานัานอานั O God, O God, O God, a God, O God, a t o d O a o d m God, O g God, O God, O g o O God, God, O God, O sā s sā a n ē sā i p r a s haṃ mayā i s ā n s s s i y a a a a n t a san s s a s a a g a n t a a r a s a s a s a s a h a a b h a a j a j a a a a a a t a a a a a a t a e a a a a a e a a a a a a a a a t a a a j a t a j a a a a a a a l h e